เส้นทางชีวิตของมนุษย์มีอยู่สองเส้นทางด้วยกันคือหนึ่งทางโลกสองทางธรรมทางโลกก็คือทางแห่งลาบยศสารเสริญทางแห่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางที่นําไปสู่ การเวียนว่ายตายเกิดในใจพบพอการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้จะไม่ทำให้อิ่มให้พอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จากอิ่มไม่รู้จากพอ พอร่างกายตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้กลับมาหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะใหม่ในช่วงที่หาราบยศสรรเสริญสุขถ้าหาด้วยวิธีที่ทำบาปเวลาตายไป ก็ต้องไปใช้กรรมในอบายไปเวียนไหวในทุกขติถ้าไม่ได้ทำบาปในการหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลย กลับมาเพื่อมาหาราบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แล้วถ้ามีโอกาสได้ทำบุญได้รักษาศีลหรือได้นั่งสมาธิเวลาตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพในสวรรค์ชั้นพรหม ล้วหลังจากบุญที่ได้ทำไว้หมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาหาลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอย่างที่พวกเราได้ทำกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน พวกเหล่านี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกมาบอกพวกเราพวกเราจะไม่รู้เลยว่าเราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมามากน้อยเพียงไรเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเรื่องราวเหล่านี้เพราะไม่มีใครรู้นั่นเองทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ไม่รู้ว่า ได้เกิดมาแล้วไม่รู้กี่แสนกี่ล้านครั้งด้วยกันและไม่รู้ว่าจะต้องไปเกิดต่ออีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านครั้งเช่นเดียวกันรู้เพียงแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องหาความสุขจากลาบยศสรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะละแล้วก็ทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจ ให้กับการหาความสุขเหล่านี้แล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่จะต้องมีการพัดพากจากลาบยศสรรเสริญพัดพากจากความสุขทางตาหูจบูกลิ้นายไปแต่ก็ไม่เข็ดไม่จำพอตายไปก็เหมือนกับคนที่นอนหลับเวลานอนหลับ ก็ฝันดีฝันร้ายถ้าทำบาปก็จะฝันร้ายถ้าทำดีก็จะฝันดีแล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ก็จะตื่นขึ้นมาใหม่เกิดได้ร่างกายอันใหม่ก็เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่พอตื่นขึ้นมาก็พยายามหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผทพพะต่อไปนี่คือลักษณะของทางโลกเป็นอย่างนี้ทางที่นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรหรือในวัฏฏสงสารสังสารวัตนี้ก็ประกอบด้วยตจภพนี้เองใจภพมีอยู่สามภพด้วยกัน คือหนึ่งกามภพสองรูปปพและสามรูอรูปภพุปทำไมจึงมีสามปปเพราะจิตใจผู้ที่ไปเกิดในภพเหล่านี้มีความอยากไม่เหมือนกันผู้ที่อยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะไปเกิดในกามภพ พบที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสให้เสพนั่นเองส่วนผู้ที่ไม่ได้หาความสุขจากลาบยศสารเสริญแต่หาความสุขจากความสงบของฌานหรือรูปฌปานหรืออรูปฌปานก็จะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพผู้ที่ได้ผู้ที่หาความสุขจากความสงบของรูปฌปาน เวลาร่างกายตายไปใจก็จะไปอยู่ในรูปภพภพของรูปภพส่วนผู้ที่ได้อารูปฌานก็จะไปอยู่ในอรูปภพภพของอารูปภพที่มีความสุขมีความละเอียดมากกว่าความสุขของ <c oughs> รูปภพของรูปภพ ที่มีความสุขมีความละเอียดมากมากกว่าเทวภพส่วนเทวภพก็มีความสุขที่ละเอียดกว่าความสุขของมนุษย์อ น, นี่คือระดับของความสุขต่างๆที่จิตใจของสัตว์โลกที่ไม่ได้รู้จักทางแห่งทางธรรมก็จะ เดินไปในเส้นทางนี้ด้วยกันทุกๆคนที่มาเกิดนี้จะมุ่งไปส่วนใหญ่จะไปที่กรรมมพบกันไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะกันไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญมีบางพวกที่เบื่อต่อการหาความสุขทางกรรมมพบก็ไปหาความสุขแบบ ฌานกันหาความสุขจากความสงบนั่งสมาธิทําใจให้สงบก็จะได้ฌานขั้นต่างๆขั้นต่ําก็คือขั้นรูปฌานมีอยู่สขั้นขั้นสูงก็มีก็เรียกว่าอารูปฌานมีอยู่อีกสี่ขั้นด้วยกันนี่เป็นวิธีหาความสุข ของคนบางคนของมนุษย์บางคนมนุษย์บางคนนี้อาจจะเบื่อหน่ายกับการหาความสุขจากลาบยศสัรเสริญหาความสุขจากลูปเสียงกินน่นนนตอนรู้สึกว่ามันวุ่นวายหนอกว่าจะได้ความสุขมาสักทีต้องเนหน็ดเหนื่อยเมื่อละกับการทำงานทำการหาเงินหาทองหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ มาให้ความสุขแล้วพอได้มาไม่นานบางทีบุคคล น, นั้นหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อาจจะจากไปโดยโดยกระทันหันก็ได้บางคนสูญเสียคู่รักคู่ครองไปก็อาจจะทุกข์ทรมานใจจนเข็ดหลาบไม่อยากจะมีคู่รักไม่มีอยากจะมีคู่ครองอีกต่อไป ก็ลองไปหาความสุขแบบใหม่ดีกว่าหาความสุขจากการทำใจให้สงบไปเข้าวัดกันไปบาเพ็ญตบะกันไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันก็สามารถมีความสุขได้อีกแบบหนึ่งมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุข แต่ก็เป็นความสุขในระดับโลกียะอยู่ความสุขระดับเทวโลกหรือพรหมโลกก็ยังเป็นความสุขที่เสื่อมได้อยู่มเีเวลาตายไปก็ไปอยู่พรหมโลกชั้นนั้นชั้นนี้พอบุญที่ส่งไปคือสมาธิหมดกำลังลงก็ต้องเลื่อนลงมาจาก พรมมาโลกมาสู่เทวโลกจากเทวโลกก็จะต้องเลื่อนลงมาสู่ระดับของมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาหาความสุขใหม่มาหาการมาสุขหรือมาหาความสุขจากฌานฌานขั้นต่างๆนี่คือลักษณะของการเวียนว่ายของในสุขคติ คือการหาความสุขโดยที่ไม่กระทำบาปไม่หาความสุขด้วยการฆ่าผู้อื่นไม่หาความสุขด้วยการลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่หาความสุขจากการประพฤติผิดประเวณีคือหาความสุขจากสามีภรรยาของผู้อื่นไม่หาความสุขจากการโกหกหลอกลวงผู้อื่น ไม่หาความสุขจากการดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆถ้าหาความสุขด้วยการทำบาปเวลาตายไปแทนที่จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆก็จะต้องไปอยู่ในอบายชั้นต่างๆอบายก็มีอยู่สี่ชั้นด้วยกันคือหนึ่งเดรัจฉาน 2. เปรต3าอสุรกาย 4. นรกเนี่ยนี่คือที่ไปของจิตใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเวลาทีา่ได้ทำบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่ทำบาปเพราะอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรัเสริญยอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ไม่มีปัญญาหามาด้วยความถูกต้องคือด้วยการไม่ทำบาป ก, ก็จะต้องหาด้วยการกระทำบาปพอทำแล้วก็มีโทษติดไปกับใจเวลาตายไปก็จะไม่ได้ไปสู่สุกติจะไปสู่ทุกขติจะเวียนว่ายอยู่ในระดับทุกขติ ตายไปก็ไปใช้กรรมเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปนรกบ้างพอพ้นจากกรรมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาหาลาบยศสลรเสริญสุขใหม่ก็จะหาแบบวิธีที่เกิดหาเกิดหาด้วยการลักขโมยก็จะกลับมาลักขโมยเคยหาด้วยการโกหกหลอกลวงก็จะกลับมา หาด้วยวิธีโกหกหลอกลวงถ้าไม่มีใครห้ามใครสอนถ้าเกิดมาในครอบครัวที่เป็นคนดีคนที่กลัวบาปก็อาจจะสั่งสอนลูกๆว่าอย่าไปทำบาปถ้าเชื่อฟังก็อาจจะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายต่อไปถ้าไม่เชื่อฟัง ดือดึงอชอบหาความสุขแบบง่ายๆวิธีง่ายๆก็คือวิธีทำบาบนี่เองหาเงินที่ง่ายๆเร็วๆมากๆนี่หาด้วยการทำบาปไปขโมยเงินของคนอื่นหรือไปปล้นธนาคารไปปล้นร้านค้าต่างๆปุ๊บเดียวได้เงินมาเป็นหมื่นเป็นแสน ถ้าต้องไปทำงานวันละสามร้อยกว่าจะได้เงินเป็นแสนก็เป็นปีด้วยกันก็ใจร้อนขี้เกียจไม่อยากจะลำบากกับการทำงานอยากจะมีเงินเพื่อจะได้ไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละทำไมเราถึงมีอาชญากรรมกันมีอาชญากรกัน มีพวกมิจฉาชีพกันเพราะพวกนี้เขาต้องการหาความสุขแบบง่ายๆแบบเร็วๆแบบมากๆนั่นเองมิธีที่จะได้เงินทองมาแบบง่ายๆเร็วๆและมากๆก็ต้องทําด้วยวิชามิจฉาชีพทําด้วยการลักขโมยทําด้วยการช่อกรงหลอกลวงทําด้วยการฆ่าผู้อื่น แต่พวกนี้ไม่รู้ว่าเวลาที่เขาตายไปนี้เขาจะต้องไปรับผลในอบายเวลาที่ตายไปนี่ที่ไปรับผลในอบายนี้ไปในลักษณะไหนก็ไปในลักษณะเหมือนกับคนนอนหลับไปรับผลนั่นเองเวลาเรานอนหลับนี้เราไม่ได้ใช้ร่างกายร่างกายนี้นอนอยู่เฉยๆไม่ได้เคลื่อนไหว แต่ใจของเรานี่ไปกับความฝันไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีใครฝันกันทุกคนนี่เวลานอนหลับนี้ต้องมีฝันกันแล้วก็มีฝันดีบ้างมีฝันร้ายบ้างนี่แหละคือผลที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปถ้าทำบุญก็จะฝันดีถ้าทำบาปก็จะฝันร้าย เวลาตายก็เหมือนกับตอนนอนหลับนี้เองพอตายไปก็จะฝันดีฝันร้ายแต่จะฝันยาวเพราะนอนหลับยาวกว่าจะกลับมาเกิดกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดเป็นเด็กทารกออกมาจากท้องแม่ใหม่นี่อาจจะเป็นเวลาหลายสิบปีหลายร้อยปีหรือหลายพันปีด้วยกันช่วงที่ไม่มีร่างกายนั้นลหะ เป็นช่วงที่จิตที่เป็นดวงวิญญาณนี้จะอยู่ในสภาพของความฝันแต่จะไม่รู้ว่าฝันจะคิดว่าอยู่กับความจริงแต่จะอยู่แบบสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับบนหรือบาบนี่เองเวลาที่เรานอนหลับเราฝันนี่เราเราไม่รู้ว่าเราฝันกันใช่ เวลาฝันนี้คิดว่าเป็นเรื่องจริงคิดว่าเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้น <c oughs> เหตุการณ์นี้กำลังได้รับความสุขหรือได้รับความสุขจากการที่ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นสถานการณ์นี้การที่ได้ไปพบไปทำอะไรกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เราคิดว่าเรากำลังตื่นอยู่เราคิดว่าเรากำลังทำเหมือนตอนที่เราตื่นอยู่ เราจะมารู้ว่าเราฝันก็ต่อเมื่อเราตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเราถึงได้รู้ว่าอ๋อเมื่อกี้นี้เราฝันไปฝันเรื่องดีบ้างฝันเรื่องไม่ดีบ้างแต่เวลาที่ฝันนี้ไม่รู้ว่าฝันคิดว่าเป็นเรื่องจริงทุกข์ก็ทุกข์จริงๆเจ็บก็เจ็บจริงๆหิวก็หิวจริงๆสุขก็สุขจริงๆเหมือนกับที่เราเป็นกันอยู่ตอนนี้ ตอนนี้พวกเราก็ฝันกันแต่เราไม่รู้ว่าเราฝันกันเราจะมารู้ก็ต่อเมื่อเรามองกลับไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เหมือนกับที่เราฝันเมื่อคืนนี้แร้วเปล่าเมื่อวานนี้เราไปเที่ยวที่นั่นที่นีไ่ได้ความสุขจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ตอนนี้หายไปไหนหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เราตอนนี้กำลังฝันแบบลืมตากันชีวิตของเรานี้เป็นแต่เรื่องของความฝันตลอดเวลาฝันในขณะที่ลืมตาในขณะที่ตื่นฝันในขณะที่หลับตาฝันในขณะที่ตายต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราตื่นนี่เราสามารถควบคุมความฝันได้เราสามารถเลือกฝันได้ เลือกหาความสุขเลือกเลือกหาความทุกข์ได้แต่เวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาที่เราตายนี่เราเลือกไม่ได้มันต้องเป็นไปตามอำนาจของบุญของบาปถ้าทำบาปนอนหลับก็จะฝันร้ายฝันร้ายก็มีอยู่สี่ลักษณะฝันว่าได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรต่างๆ หรือฝันว่าเป็นเปรตก็คือเปรตก็คือฝันว่าเป็นคนตกยากตกทุกข์ได้ยากอดอดอยากอยากขาดแคลนหิวโหยอยู่ตลอดเวลานี่คือลักษณะของเปรตจะเป็นพวกยากจนจะหิวโหยอดอยากขาดแคลนต้องไปอยู่แบบขอทานที่มาขอบุญจากผู้ที่เป็นญาติมิดเนี่ยก็เป็นพวกนี้แหละพวกนี้ ทำไมถึงไปเป็นเปรตก็เพราะทำบาปด้วยความโลภขณะที่มีชีวิตอยู่อยากจะได้อะไรบาง่ายๆมากๆเร็วๆก็ทำบาปกันจะได้เงินมากๆจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาจะได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำบาปด้วยความโลภถ้าทำบาปด้วยความโลภใจก็จะ เป็นใจที่หิวโหยอยู่ตลอดเวลาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาตายไปก็จะฝันแบบนี้ฝันว่าเป็นยาจกเป็นขอทานเป็นคนที่อดอยากขาดแคลนขาดสิ่งนั่นขาดสิ่งนี้เป็นคนยากไร้ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะฝันแบบว่าเป็นคนที่กวาดกลัวหวาดเสียวกับภัยต่างๆ จะ ต, ต้องไปประชวภัยชนิดต่างๆเกินเมื่อสองวันก่อนก็ไปเจอพายุที่ปากใต้หรือไปอยู่หลงไปพัดตกไปอยู่ในสงครามที่ไหนเจอแต่ภัยอันตรายต่างๆพวกนี้จะฝันแบบนี้ถ้าทำบาปด้วยความกลัวเวลากลัวใครก็จะมาทำร้ายเราเราก็ทำร้ายเขาก่อน ส่วนพวกที่ไปอยู่ในฝันแบบนรกก็คือฝันว่ามีแต่ความมีแต่ผดมีแต่สงรา ม, มีแต่การต่อสู้มีแต่การล่างแค้นจองเวรจองกรรมกันนี่ทำบาปด้วยความโกรธทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทอย่างนี้คือลักษณะของใจเวลาที่ไม่มีร่างกาย จะอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับฝันไปจะฝันยาวหรือฝันช้าถ้ามีชีวิตอยู่ก็ฝันไม่นานคือหนึ่งนอนสักห้าหกชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าฝันแบบไม่มีร่างกายฝันแบบคนตายอันนี้จะฝันยาวจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่เมื่อรู้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนี้ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่ เพราะว่าคิวมันยาวดวงวิญญาณที่ต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มีมากแต่มนุษย์นี้สร้างลูกสร้างคนน้อยถ้าเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนี่ใครจะมากกว่ากันสัตว์เดรัจฉานที่ในโลกนี้มีมากกว่ามนุษย์หลายร้อยหลายแสนเท่าด้วยกันไม่ต้องดูไก่ดูในบนเขานี้ก็แล้วกัน บนเขานี่มีสัตว์ชนิดต่างๆนี่อาจจะมากยิ่งกว่าคนในประเทศไทยเลยอีกสัตว์เขานี้ก็อยู่กันออกมาทีเป็นฝูงใชมมีมดนี่เป็นมดมแมลงนกอะไรต่างๆสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นมีดวงวิญญาณเหมือนกันเั้นการที่จะมาได้ร่างกายของมนุษย์นี้ ก็เหมือนกับเด็กที่เรียนหนังสือจบมหกแล้วต้องสอบเอ็นท่านกันเนี่ยเวลาสอบเอ็นท่านนี้มหาวิทยาลัยรับได้ไม่กี่หมื่นคนแต่มีคนสมัครสอบเป็นแสนออันนี้พวกที่ไม่ได้ก็ต้องไปหาที่ใหม่อันนี้ก็คือความยากของการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ช่วงที่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะไป เป็นดวงวิญญาณล่องลอยรอรอให้เวลาที่ได้ร่างกายของมนุษย์มาเกิดก่อนหรือถ้ายังบาปยังไม่หมดบุญยังไม่หมดก็ฝันร้ายฝันดีต่อไปถ้าบุญหมดบาปหมดก็ไม่ฝันนอนแบบไม่ฝันไปหลับแบบไม่ฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิด ในการมาพบผู้ที่เสพกามจะมาเกิดในการมาพบนี้แบ่งเป็นสองซีกซีกสุขคติกับทุกคติทุกคติก็คืออบายสีพวกที่เสพกามด้วยการทำบาปส่วนพวกที่เสพกามโดยไม่การโดยไม่ได้ทำบาปคือรักษาสีหน้าได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แ้วถ้าพวกที่เสพกามแล้วยังมีความเมตตาแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยการทําบุญทําทานพวกนี้ก็จะไปเป็นเทวดาไม่ทําบาปแล้วก็ทําบุญด้วยก็ได้เป็นเทวดาถ้าไม่ทําบาปแต่ไม่ได้ทําบุญก็ได้เป็นมนุษย์อ น, นี้คือเกิดในกามะพภกามะพภมีอยู่เทพมนุษย์ เดลฉานเปรดอสุลกายและนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่เสพกามกันส่วนพวกที่ไปรักษาศีลแปดนั่งสมาธิหาความสุขจากการทำใจให้สงบในฌานขั้นต่างๆก็จะไปเกิดในรูปภพไปอรูปภพภพสองภพนี้ไม่เสพกาม เสพชาญแทนเศพความสงบแทนพวกที่เขาไปถือศีลนี่เขาไม่ไปหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสเขาไม่ดูหนังฟังเพลงเขาไม่ร้องลำททาเพลงเขาไม่ไปไปกินไปดื่มไปงานเลี้ยงต่างๆเขาจะไปหามุมสงบนั่งหลับตาสวดมวนต์ไหว้พระทําใจให้สงบ ตรงนี้ก็เป็นพวกที่หาความสุขจากความสงบตรงนี้ไม่เสพกามเสพความสงบเสพรูป่ประชานกับอรูประชานอพอตายไปก็จะไปเกิดในรูปภพและอรูปภพแต่ไม่ว่าจะเป็นอรูปภพหรืออรูปภพรูปภพหรือกามภพเป็นภพที่จะต้องมีวันเสื่อมหมดไปเพราะ บุญหรือสาเหตุที่ส่งให้ไปอยู่ในภพเหล่านี้เหมือนกับน้ำมันในรถยนต์เตมน้ำมันในรถยนต์พอขับรถไปไหนมาไหนสักพักเดี๋ยวน้ามันก็หมดถังพอหมดถังก็ต้องแวะจอดที่สถานีบริการอันนี้ก็เหมือนกันบุญที่ส่งเราไปสวรรค์ชั้นต่างๆหรือบาปที่ส่งเราไปที่อบายชั้นต่างๆ พอมันหมดกำลังลงเราก็ต้องแวะกลับมาเติมใหม่เรามาเติมบุญเติมบาปที่ไหนก็มาเป็นมนุษย์นี่เองเพราะมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ที่จะมาเป็นผู้เติมบุญได้หรือเติมบาปได้ส่วนพวกที่ไปเกิดที่ในภพอื่นนี้เป็นพวกที่ไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปไม่ได้ไปเติมไปใช้บุญไปใช้บาป น, นี่คือลักษณะของดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพอยู่ในสังสารวัตนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานถ้าอยากจะรู้ว่าเรามาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์กันกี่รอบก็ให้เก็บน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละรอบนี้แล้วมารวมกัน พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราน้ำนตาที่เราหลั่งแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถ้ามารวมกันแล้วมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรซะอีกเกิดดูเส้นน้ำในมหาสมุทรนี่มากขนาดไหนแล้วน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้น้อยขนาดไหนเราจะต้องหลังกี่ครั้งด้วยกันถึงจะได้น้ำตามากเท่ากับน้ำในมหาสมุทร นั่นแหคือจำนวนภพชาติที่พวกเราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมานับจำนวนด้วยตัวเลขไม่ไหวเขียนด้วยตัวเลขไม่ไหวเขียนด้วยหนึ่งแล้วก็เขียนด้วยศูนย์ไปไม่รู้กี่กี่ล้านตัวด้วยกันถึงจะได้น้ำตามากเท่ากับน้ำในมาหาสมุทรและยังจะต้องร้องไห้ต่อไปถ้าเราไม่ได้มาพบกับทางธรรมทางธรรมนี้นานๆเราจะ มีโอกาสได้พบสักครั้งหนึ่งต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะได้พบทางธรรมและการจะพบทางธรรมนอกจากการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมาเจอพระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธศาสนาก็ไม่จะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้อยู่เรื่อยๆนานๆจะมีโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งระยะเวลาก็ห่างไกลเหมือนกับ จำนวนพบชาติที่เราเวียนไหวาตายเกิดกันอยู่นี่ดังนั้นจังหวะหรือโอกาสของพวกเราที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานี่ก็ยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งขนาถูกครั้งเดียวมันยังยากแล้วจะมาถูร้อยครั้งพันครั้งนี้ไม่มีใครทำได้ เป็นโอกาสที่ยากมากที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในขณะที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จักทางธรรมกันจะไม่มีใครมาสอนมาบอกเราว่าทางธรรมเป็นยังไงทางธรรมนี้ก็คือทางสู่การออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองออกจากตายภพ ผู้ที่พบทางธรรมแล้วจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบไม่ต้องมาเกิดในกามมาพบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีหรือเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นเดรัจฉานก็ดีหรือเป็นนรกก็ดีถ้าได้พบทางธรรมแล้วนี้จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปแม้กระทั่งรูรปพบหรืออรูปพบ ตายพบคือสามพบนี้เป็นพบที่เป็นพบที่เกิดเกิดดับดับนะได้มาแล้วก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องกลับมาสร้างใหม่กันเอสร้างใหม่กันได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแต่พอมาพบกับทางธรรมนี่ทางธรรมจะพาให้เราออกไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในตายพบจะพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานน ทางธรรมก็คือทางแห่งมรรคผลนิพพานทางธรรมนี้จะพาให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาใช้กรรมใช้บุญในในภพต่างๆอีกต่อไปจะพาเราให้ไปอยู่ในพระนิพพานที่มีแต่บรมมาสุขมเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการเกิดแก่เจ็บตาย ความสุขที่ได้จากพระนิพพานก็เป็นความสุขที่อ น, นันตการเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไม่ต้องไปหาไปเติมเหมือนกับความสุขที่เราเติมกันในขณะนี้ไปเที่ยวได้สามวันสี่วันก็หมดแนละ้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ไปเที่ยวกันใหม่อีกแนละ้วเที่ยวเท่าไหร่หาความสุขเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดไปพอเวลาตายไปก็ต้องกลับมา เกิดใหม่เพื่อที่จะได้มาหาความสุขใหม่แต่ถ้าเราได้ความสุขของพันนิพานแล้วเราไม่ต้องกลับเราไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนอีกต่อไปนี่คือทางธรรมทางธรรมนี้จะเกิดจ ะ, ะจะพบได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนามีผู้ค้นพบทางธรรมนี้ คนที่ค้นพบทางธรรมนี้คนแรกก็คือพระพุทธเจ้านี่เองถ้าหลังตะสัมมาสาัมพุทธเจ้าผู้ตัดสู้ด้วยพระองค์เองตัดรู้อะไรก็รู้ทางธรรมนี่เองเป็นผู้ค้นพบทางธรรมทางที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดค้นพบโดยเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่ออกบวชเป็นสัมมาโคดมทาไม เป็นเจ้าใจายอยู่ดีๆทำไมถึงต้องออกบวชทำไมอยู่ในวังมันไม่มีความสุขเหรอไปบวชเป็นขอทานมันมีความสุขตรงไหนมีพระเจ้าแผ่นดินมีเจ้าชายองค์ไหนในปัจจุบันนี้ที่ไปบวชกันบ้างไหมไม่มีมีแต่อยู่ในวงังมีแต่หาความสุขจากราชสมบัติกันทั้งนั้นแต่ทำไมเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจึงแหวกแนวทาไมจึงไป หาความสุขไปหาทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนที่มองไกลมองเห็นอนาคตของร่างกายของตนว่าต่อไปร่างกายของตนก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็จะไม่สามารถหาความสุขจากพระราชสมบัติที่มีอยู่ได้พระราชสมบัติที่มีอยู่ก็ไม่แน่นอน วันดีคืนดีถ้าแพ้สงครามเมื่อไหร่ก็อาจจะสูญเสียราชสมบัติไปก็ได้การที่มีความเห็นความมองเห็นการไกลมองเห็นความไม่แน่นอนของความสุขของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสนี้ที่ทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะต้องออกบวชเนเพราะ รู้ว่าพวกนักบวชนี้เป็นผู้ที่กำลังหาทางออกจากการความทุกข์ต่างๆของการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้ไม่มีใครที่จะหาทางออกได้นอกจากพวกนักบวชถ้าอยากจะพบทางออกทางที่ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องไปบวชเท่านั้นพระองค์ก็เลยต้องสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวช เพื่อหวังที่จะได้พบกับพระนิพพานที่เป็นความสุขที่ถาวรที่เป็นสมบัติที่ถาวรที่ไม่มีวันจากไปส่วนความสุขที่ได้สมบัติที่มีอยู่ในวังนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันไปต้องก็เลยยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจให้ต่อการบวช เมื่อบวชแล้วก็พยายามศึกษาจากครูจากอาจารย์ต่างๆก็ยังไม่มีใครรู้ทางทำรู้แต่ทางที่ไปสู่รูปรพบกับอรู ป, ปรพบคือทางสู่ความสงบในรูปฌานกับอรูปฌานแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะออกจากไตรภพนี้ได้อย่างไรพระองค์ก็เลยต้องไปขวนขวายไปศึกษาค้นคว้าหาด้วยตนเอง จนในที่สุดก็ทรงตัดจะรู้คนพบพันนิพพานขึ้นมาค้นพบมรรคผลนิพพานขึ้นมาทางที่จะพาให้ไปหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องไปอีกขั้นหนึ่งนอกจากขั้นสมาธิแล้วขั้นศีลแล้วต้องเพิ่มอีกขั้นหนึ่งถึงจะสามารถไปสู่มรรคผลนิพพานได้ขั้นที่ต้องเพิ่มนี้เรียกว่าปัญญา หรือวิปัสนาภาวนานี่เองคันนี้ไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าต้องค้นคว้าต้องศึกษาหาเองจนในที่สุดก็ส่งคนพบปัญญาส่งคนพบวิปัสนาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้อะไรรู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษ์รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจี รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นเหตุที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยเพราะสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับใจในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองเป็นความสุขที่ไม่ถาวรที่จะต้องพาให้ ผู้ที่ต้องการความสุขจากโลกนี้จะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทําให้ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องเห็นโทษของการอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเห็นโทษจากการหาความสุขจากลาบยศสัรเสริญเพราะว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเสียไปเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรา ชอบไปเวลานั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดัางนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาหาใหม่อยู่เรื่อยๆก็ต้องหยุดความอยากนี้เองหยุดความอยากด้วยการทําใจให้สงบเวลาอยากได้ความสุขจากลาบยศสร ะ, ะเสริญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยากได้ความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ให้หยุด อย่าไปทําตามความอยากถ้าหยุดความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหายไปหมดไปจากใจนพอความอยากหมดไปจากใจการจะกลับมาเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปนตัวที่ทําให้เรามาเกิดกันมาแก่มาเจ็บมาตายมาทําบุญมาทําบาปกันแล้วทําให้เราไปรับผลบุญผลบาปในตายพบกัน ก็คือตัวความอยากสามตัวนี้เองคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในกรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะภาะวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือความอยากในอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนายกอยากจะเป็นประธานาธิบดี อยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นสอส อ, อยากลิ่มอยากรวยเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาส่วนวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่ได้สิ่งที่ไม่ชอบเช่นไม่อยากให้เขาด่าเราไม่อยากเจอกับความยากจนไม่อยากจะเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหา ความอยากที่ทำให้ใจต้องดิ้นหนีความแก่ความเจ็บความตายคนบางคนพอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ฆ่าตัวตายเพื่อที่จะหนีหนีก็หนีไม่พ้นเดี๋ยวมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอไม่มีร่างกายอันนี้มันก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเกิดใหม่ <c oughs> นี่คือตัวที่ทำให้ใจ ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้ทรงค้นพบค้พบว่าไอ้ตัวความอยากสามตัวนี่แหละที่ทำให้ใจต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังมีความอยากมีอยากเป็นอยู่อยากได้ลาบยศสราเสริญอยากไม่สูญเสีย ราบยศสรรเสริญไปถ้ามีความอยากเหล่านี้มันก็จะดึงหรือ ด, ดันให้ใจต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่มาเป็นมนุษย์พอไปหามาด้วยการทำบาปก็จะไปต้องใช้กรรมเวลาที่ตายไปก็ต้องไปใช้กรรมนแอร์บายก่อนก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าถ้าหาโดยไม่ได้ทำบาป แล้วนอกจากไม่ได้ทำบาปแล้วยังมีโอกาสได้ทำบุญตายไปก็จะไปเป็นเทวดาก่อนถ้าหาโดยไม่ทำบาปแต่ไม่ได้ทำบุญตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพว่าถ้าต้องการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดต้องหยุดที่กามตันหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหา และการที่จะหยุดกามตัะหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้ก็ต้องเดินทางธรรมทางธรรมนี่ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันทางธรรมระดับต่ำเรืร่แรระดับมือสมัครเล่นก็คือทานศีลภาวนาทานตทานธรรมระดับสูงก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาผู้ที่จะไปสู่มรรคผลนิพพาน ถึอการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องเดินทางนี้ก็ต้องเริ่มต้นที่ขั้นต่ำก่อนคือทุกคนที่มาเริ่มทางธรรมนี้ส่วนใหญ่จะเริ่มที่ทานศีลภาวนาก่อนทําบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ฝึกภาวนาทั้งสองระดับสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามโอกาสที่จะพอจะทําได้ เพราะเป็นผู้คลองเรือนจะไม่มีเวลามากเพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มีเวลาน้อยที่จะมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาได้เต็มรูปแบบก็จะทำในลักษณะแบบมือสมัครเล่นหรือมือใหม่หัดขับต้องมาหัดก่อนก่อนที่จะขับรถแข่งได้ต้องมาหัดขับรถก่อน ก่อนที่จะลงสนามแข่งรถได้นี้ต้องมาหัดขับนอกสนามก่อนมาหัดขับรถให้ชำนาญให้เก่งก่อนพอคิดว่าพร้อมที่จะลงสนามก็ค่อยไปลงสนามพวกที่ทาบุญทำทานรักษาศีลภาวนาในเพศของคารวะนี้เราก็าเรียกว่ามือใหม่หัดขับหัดควบคุมจิตใจให้อยู่ในความสงบให้รู้จักปล่อยวาง ให้ลดละความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปแต่จะทำไม่ได้เป็นกอบเป็นกรรมเพราะเวลามีน้อยนั่นเองจะทำได้ก็เฉพาะบางทีแค่วันพระนี่วันหยุดทำงานก็มีเวลาไปวัดไปถือศีลแปดไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็จะทำได้เพียงเล็กน้อย แต่ก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนเพราะถ้าจะไปบวชเลยก็ถึงแม้จะไม่เวลามากแต่ก็จะไม่รู้จะทำอะไรจะไม่มีกำลังที่จะทำได้เพราะว่านิสัยเดิมยังชอบไปเที่ยวยังชอบไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่นั่นเองก็เลยต้องมาฝึกเปลี่ยนนิสัยเหมือนกับเปลี่ยนการใช้มือมือที่เราเคยถนัด เช่นมือขวาเราถนัดมือขวาแต่ตอนนี้เราต้องมาหัดใช้มือซ้ายเพราะต่อไปสมมุติว่าหมอบอกว่าต้องตัดแขนมือขวาทิง้งต่อไปจะใช้มือขวาไม่ได้ก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะไปทางธรรมเราก็ต้องมาหัดเดินทางธรรมกันแลาจะทำแบบทันทีทันใดแบบเต็มรูปแบบนี้ย่อมทำไม่ได้ ก็ต้องหัดทำไปในยามว่างมีเวลาว่างวันไหนก็ไปเดินทางธรรมไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปภาวนาส่วนวันอื่นก็ต้องอยังไปหาลาบยศสระเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ก็ต้องทำไปควบคู่กันไปก่อนจนกว่าการฝึกเดินทางธรรมเริ่มมีกำลังมากขึ้นแล้วเราเพิ่มวัน ให้กับการปฏิบัติทางธรรมได้มากขึ้นเช่นเราอาจจะเริ่มลดการทามาหากินให้น้อยลงลดการหาแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้น้อยลงแล้วเพิ่มมามาเดินในทางธรรมให้มากขึ้นมาอยู่วัดให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นให้ทำบุญทำทานให้มากขึ้นให้รักษาศีลให้มากขึ้น ให้ฝึกภาวนาให้มากขึ้นเราก็จะเริ่มมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับถ้าเป็นคนขับรถก็เริ่มขับได้ชํานาญแล้วไม่ได้เป็นมือใหม่หัดขับแล้วพราะถึงขีดหนึ่งจุดหนึ่งก็จะคิดว่าพร้อมที่จะลงสนามแข่งะก็จะไปลงสนามได้เลยพวกที่หัทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนา ในขณะที่เป็นคาลาว่าก็ทำไปเริ่มต้นจากน้อยไปหามากตอนต้นก็อาจจะทำอาทิตย์ละวันต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันสี่วันลดการทำงานหาเงินหาทองให้น้อยลงเพราะถ้าเริ่มมาทางธรรมแล้วการที่จะต้องใช้จ่ายเงินทองเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะมีน้อยลงไป ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหาเงินมามากหาเงินพาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอ mm. ก็จะมีเวลาเข้าวัดมาบําเพ็ญทานศีลภาวนาได้มากขึ้นเมื่อบำเพ็ญได้มากขึ้นก็จะได้ผลมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นจนถึงวันหนึ่งก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากการเป็นคารวะไปเป็นนักบวชได้เปลี่ยนจากการปฏิบัติแบบมือสมัครเล่น ไปเป็นมืออาชีพได้เอถ้าไปบวชแล้วทีนี้ก็จะได้ปฏิบัติเต็มเต็มร้อยได้ปฏิบัติทุกวันทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเออถ้าลองได้เป็นนักบวชแล้วได้ปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วการเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็จะเข้าไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเอ ผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานส่วนใหญ่นี้จะเป็นนักบวชกันผู้ที่เป็นขาลาวาสผู้ครองเรือนนี้มีบ้างแต่ไม่มากเป็นกรณีพิเศษไม่ได้ถือว่าเป็นกรณีปกติผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานที่เป็นนักบวชนี้ถือว่าเป็นกรณีปกติส่วนใหญ่ถ้าต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ต้องเป็นนักบวชเหมือนพวกที่ต้องการแข่งรถ คว้าแชมป์มานี้ต้องเป็นนักแข่งรถแต่เป็นมือสมัครเล่นลงไปแข่งเดี๋ยวก็ลดความเร็วขับสู้เขาไม่ได้เพราะไม่รู้จักวิธีขับให้มันเร็วกว่าเขานั่นเองนี่คือทางรมจะมีอยู่สองระดับด้วยกันสองขั้นด้วยกันขั้นต้นกับขั้นปลายทุกคนต้องเริ่มต้นจากขั้นต้นก่อนเพราะทุกคนไม่ได้เกิดมาเป็นนักบวชเลย ยกเว้นพวกที่เป็นนักบวชแล้วตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อพวกนี้อาจจะไม่ต้องเป็นคารวะตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาก็อาจจะขอพ่อขอแม่บวชเนรเลยถ้ามีพระพุทธศาสนาเอเด็กบางคนนี้บวชตั้งแต่เด็กเพราะนิสัยเขาเป็นนักบวชมาตั้งแต่ชาติก่อนพอเขามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้พอเขาเจอพระศาสนา เขาก็จำอดีตของเขาได้ว่าอาดีตเขาเคยเป็นนักบวชมาเขาชอบแบบนี้เขาชอบชีวิตของนักบวชเด็กบางคนนี่ขอร้องพ่อแม่ไปบวชเอนแล้วบวชแบบไม่เสร็จ ก, ก็มีบวชตั้งแต่เด็กแล้วก็ปฏิบัติไปอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยที่เป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพนับถือที่กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุไปแล้วนี้ท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเดน็ก แต่ว่าท่านต้องหยุดชั่วคราวไปช่วยบ้านไปช่วยพ่อช่วยแม่ทําไร่ทำไร่ ไ, ไถนาะแต่พอท่านพ้นภาระท่านว่างท่านไม่ต้องช่วยพ่อแม่แล้วท่านก็ออกบวชทันทีออกบวชเป็นนักบวชต่อเลยชีวิตของหลวงปู่มา่นี่รู้สึกเป็นคารวาะไม่กี่ปีเพราะนิสัยท่านเป็นนักบวชมาแต่ดั้งเดิมเ ส่วนพวกเราเนี้เป็นคารวะมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วสแสดงว่าชาติก่อนนี้ไม่เคยเป็นนักบวชเลยเ อ, อดังนั้นก็เลยต้องมาเขี้ยวเข็นบังคับให้มาฝึกหัดมาเป็นนักบวชกัน เ, ออเขี้ยวเข็นบังคับให้เข้าวัดกันในวันพระไปฟังเทศฟังธรรมขั้นต้นให้ไปศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าทางธรรมนี้ดีกว่าทางโลกอย่างรน่อย เมื่อได้รู้แล้วว่าทางธรรมนี้เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทางสู่ความสุขที่จีรังถาวรทางที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าฟังแล้วเกิดศรัทธาก็อาจจะเริ่มฝึกหัดเป็นมือใหม่หัดขับก่อนแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นก็เอาเงินไปทำบุญทำทาน แทนที่จะไม่เคยรักษาศีลเลยก็หัดรักษาศีลกันรักษาศีลห้าก่อนรักษาศีลห้าได้แล้วก็วันพระก็ลองรักษาศีลแปดดูยอมอดข้าวเย็นสักวันหนึ่งวะจะตายให้มันรู้ไปเลยยอมเลิกนอนกับแฟนสักคืนหนึ่งดูว่ามันจะตายหรือเปล่ายอมเลิกเที่ยวยอมเลิกดูละครสักคืนหนึ่งมันจะเป็นยังไงเอาเวลามาไหว้พระสวดมนต์มาฝึกจิตใจทำสมาธิ มาฟังเทศฟังธรรมดูว่ามันเป็นอย่างไรอย่างไหนจะดีกว่ากันเออถ้าเราได้ทดลองทำแล้วรับรองได้ว่าจะต้องเห็นว่าทางธรรมนี่ดีกว่าทางโลกอย่างแน่ น, นอนเพราะรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีรถอันใดในโลกนี้จะดีเท่ากับรถแห่งธรรมรถของลาบยศรเสริญสุกทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่สู้รถแห่งธรรมไม่ได้ ลดแห่งธรรมที่เกิดจากการทําบุญทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งสมาธิอันนี้แหละเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสจรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วพอเราได้สัมผัสแล้วรับรองได้ว่าจะเห็นความแตกต่างระหว่างทางสองทางเลย เห็นว่าทางของธรรมนี่นำไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขเพียงอย่างเดียวทางของโลกนี่นำไปสู่ความสุขคุกเข้าไปด้วยความวุ่นวายความวิตกความกังวลความเศร้าโศกเสียใจต่างๆนานาจะเหนนว่าตา ก, กันเป็นเหมือนฟ้ากับดินเลยพอลองได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมลองได้มาทางธรรมแล้วก็จะเริ่มมีศรัทธามากขึ้น มีฉันทะวิริยะมีความยินดีมีความกยันหมั่นเพียรที่จะพยายามมาทางธรรมให้มากขึ้นก็จะหาเวลาหาโอกาสเข้าวัดให้บ่อยขึ้นทำบุญทำทานให้มากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะอยากจะออกบวชเองเพราะรู้ว่าการเป็นคาวะ น, นี้มันมีขีดจำกัด เวลามันไม่มากเท่ากับการเป็นนักบวชถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับปลูกต้นไม้ในกระถางเวลาเราปลูกต้นไม้ใหม่ๆในกระถางนีอต้นไม้มันก็จะเริองงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอมันโตเต็มที่ดินในกระถางนี่มันหายหมดแล้วกลายเป็นรากถ้าจะให้มันโตไปกว่านี้มันไม่มีวันที่จะโตได้แต่อยากจะให้มันโตก็ต้องเอา ต้นไม้ที่อยู่ในกระถางไปลงดินเนทะ่า น, นั้นมันเต็มใเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาได้ฉันใดการปฏิบัติในเพศของคารวะการเดินในเดินทางธรรมในเพศคารวะนี้มันมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่มันจะรู้สึกว่ามันจะไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าอยากจะไปไกลกว่านี้ต้องไปบวชเท่านั้นต้องไปเปลี่ยน เอาต้นไม้ที่อยู่ในกระถางไปลงดินล้วจิตใจที่เป็นคารว่านี้ไปเป็นพระไปเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่นอกจากมีเวลาปฏิบัติแล้วยังมีสังคมที่เอื้อต่อการปฏิบัติได้อยู่กับพวกนักบวช ด, ด้กันได้อยู่กับพวกปฏิบัติด้วยกันก็จะไม่มีใครมาคอยชวนเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่มีใครชวนเราไปกินข้าวเย็นที่นั่นที่นี่ ทุกคนปฏิบัติเหมือนกันมีแต่ชวนให้ไปเดินจงกรมชวนให้ไปนั่งสมาธิชวนให้ไปฟังเทศฟังธรรมชวนให้รักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วนอกจากนั้นยังมีครูบาอาจารย์ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วมาคอยให้กำลังใจมาคอยอคอยดึงคอยอคอยกำหนาบเวลาที่ทะเลทลายเวลาที่ไม่ปฏิบัติ ถ้าไปบวชแล้วจะอยู่ในสังคมที่เอื้อต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าอยู่ในสังคมของกาลาวาจะไม่มีใครมาช่วยสนับสนุนช่วยดึงช่วยผลมีแต่ช่วยคอยลากให้เราถอยหลังไม่ได้สนับสนุนให้ไปข้างหน้าเดี๋ยวคนนั้นก็บอกกินข้าวเย็นเถอดไปทรมานอดข้าวทําไ ม, ไมเห็นได้อะไรเลยกินข้าวเถิดเขากินเขาเห็นเราไม่กินเดี๋ยวก็ต้องชวนเรากิน เขาดูละครเดี๋ยวก็ชวนเราดูเดี๋ยวเราก็ทนไม่ไหวก็ใจอ่อนก็ทำตามเขาไปอันนี้ก็จะถอยหลังไม่ได้เดินหน้าเพราะดันั้นผู้ที่ปฏิบัติที่เป็นคารวะานี้ต่อไปรู้เองว่าอยู่ไม่ได้แล้วเพศของคารวะานี้วุ่นวายหนาถ้าอยากต้องการความสงบต้องการมรรคผลนิพพานต้องไปอยู่แบบนักบวช ไปอยู่กับพวกที่เ้าเป็นพวกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะมีผู้คอยฉุดคอยลากคอยดึงคอยกำหลับเวลาที่ทะเลถลเวลาที่ออกนอกลู่นอกทางจะมีคนคอยคอยเฝ้าคอยดูแลคอยกั้นไว้ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางจะทำให้การปฏิบัติคืบหน้าไปอย่างเดียว ดะไม่ช้าก็เร็วก็จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆมรรคผลนิพพานนี้ก็มีอยู่สี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์มรรคก็คือการเจริญวิปัสสนาสําหรับขั้นนั้นๆอยเองแต่ละขั้นจะต้องเจริญวิปัสสนาไม่เหมือนกัน mm hmm. ขั้นโสดาบันก็เจริญวิปัสสนาคือพิจารณาตายรักใน ในขันท่าการสกิดอาคาเมฆา น, นาคามีก็พิจารณานอนาสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายส่วนขั้นอาอนาคามีขั้นพระอาหารหันต์ก็จะพิจารณาจิตพิจารณาความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ต่างๆที่อยู่ภายในจิตพิจารณาไตรลักษณ์เหมือนกันพิจารณาอริยสัจสี่เหมือนกันเพียงแต่ว่า สภาวะธรรมที่ต้องพิจารณานี้ไม่เหมือนกันต่างกันโสดาบันนี้ต้องพิจารณาขันห้าพิจารณาร่างกายกับเวทนาเป็นหลักสกิราคามีอนณาคามีพิจารณาอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายเป็นหลักขันของพระอาหารก็พิจารณาอารมณ์ภายในจิตธรรมอารมณ์ต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราสามารถรู้ทันปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆก็เรียกว่าบรรลุผลขึ้นมานถึงมีเป็นคู่มรรคผลนิพพานจึงมีอยู่สี่คู่คู่ของพระสุวรมันต้องเจริญมรรคก่อนถึงจะได้ผลการเจริญมรรคก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจสิของของธรรมขั้นนั้นแต่ละขั้นก็มี ปัญหาที่จะต้องให้พิจารณาให้ปล่อยวางพอได้ขั้นพระอาหารหันต์แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นนิพพานโดยอัตโนมัติจะไม่ต้องมีการปฏิบัติอีกต่อไปสิ้นสุดของการปฏิบัติได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือคัารสิ้นสุดของกองความทุกข์ต่างๆความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดบุสิตังบ ร, รมเจริยญก็จะปรากฏขึ้นมาเกิดในธรร กิจในพรหมจรรย์นี้ได้ถึงที่สิ้นสุดลงแล้วไม่ต้องอไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปไม่ต้องเดินโจรกรมนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญมรรคอะไรอีกต่อไปอเพราะว่าไม่มีอะไรให้ต้องมาเจริญอีกแล้วถ้าเป็นนักศึกษาก็เรียนจบแล้วได้ปริญญาแล้วไม่ต้องไปเรียนต่อแล้วไม่ต้องไม่มีอะไรให้เรียนอีกแล้วถ้าได้ปริญญาเอกก็ถือว่าจบ อันนี้คือทางธรรมเป็นอย่างนี้ทางธรรมจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาพบกับพระพุพะทธศาสนาอย่างที่พวกเราได้มามีโอกาสพบกันในชาตินี้ถือว่าเราได้ถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งพันครั้งแล้วโอกาสอย่างนี้หายากมากมาถูกรอตลี่แล้วให้ทาอย่างไรก็ต้องรีบไปขึ้นรางวัลอย่าเก็บโตตรี่ไว้ในกระเป๋ามันยังไม่เป็นเงินเป็นทอง อยากให้เป็นเงินเป็นทองนี้ต้องเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นเงินฉันใดอยากจะให้าทางธรรมพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานเราก็ต้องออกเดินทางกันไปเดินทางแห่งทานศีลภาวนาไปสู่การเดินสู่ขั้นศีลสมาธิปัญญาต่อไปแล้วเราก็จะได้รับมรรคผลนิพพานเป็นรางวัลต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พ่อนอยะถ า, าวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิตโตทินังเบตานาังอุ ป, ปกาปฏิอิชิตังปัิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกบา จันโทปนาบาโสยธามณิโชติอรโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพโรโควินัศตุมาเตผวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะาติวาทนสีลิศานิจังวุฒาปัจจายิโน ย <at> ะตาโรธรรมวาทานติอายุวันโสุขังพาล่าลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญก็มาถามได้ถ้ามาที่ศาลาก็จะมีไมโครโฟนให้ถาม ถ้าไม่อยากจะเข้ามาด้วยตนเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเ a c e b o o สามร้อยสสิบสองค่ะทาง y o u ู u หนึ่งร้อยสามสิบห้าทางวิทยุ 18, ออนไลน์ยีสิบแปดผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสสิบสามรวมทั้งหมดหกร้อยส่สิบแปดคนค่ ะ, ะใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปหน่อย พูดใกลๆปากหม่อนนะเจ้าค่ะนมัส ก, การเจ้าค่ะ อ, อยากจะถามว่าเราเวลาเราทํางานอยู่เนี่ยถ้าเราการทํางานก็จะต้องมีบางครั้งที่มีการโกรธอ่านอีเมลแล้วไม่พอใจหรือเรื่องงานนะคะเรื่องงานแล้วเราจะใช้ธรรมะเนี่ยเข้าไปได้ไงเพราะว่าสุภิมะลองทําละมันต้องครึ่งวันมันช้าไปหน่อยเราไม่มีสติไงเร า, เราต้องมันฝึกพุโทโธพุโทโธเรืย พอเริ่มรู้สึกอาการไม่ดีก็ท่องพุทโธไปเลยแล้วมันก็จะทำให้สงบได้เร็วอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สงบลืมเรื่องอีเมลที่อ่านพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปรับรูปป้ว่านขยะเอาเข้ามาแล้วทำให้ใจเราวุ่นวายไปปปล่าๆเจ้าค่ะหรือว่าถ้ารับรู้ก็ว่าช่วยไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เขาจะพูดอะไรก็จะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไป วุ่นวายใจไปกับเขาเราทำอะไรได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้ายังทําใจไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงมันเดี๋ยวพอลืมปั๊บมันก็หายหุ่นวายก็บางทีก็คิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องไปคิดใช่อก็ดีขึ้นแต่มันช้ามากว่นวาก็เป็นเวลาใจเร า, ย, ายังยึดติดอยู่มาก คำถามจากผู้ฝากถามบนเขาค่ะข้อหนึ่งทำไมวัตัสงสารจึงต้องมีความสุขล่อให้เจอกับความทุกข์ดังที่ท่านเคยเทศเหมือนไก่เจอพลอยแต่ก็ยังหากินเพื่อหาหนอนทุกวันมันไม่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ละจะว่าอย่างไงอของในโลกนี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปนกันมามันเป็นเหมือนเหรียญทำไมต้องมีสองด้านทาไมเหรียญมีด้านเดียวไม่ได้หรอ มีได้ไหมไม่ได้นะมันต้องมีสองด้านนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็มามาเป็นคู่กันนะมีสุขก็ต้องมีทุกมีเกิดก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมนี่เรียกว่าวัตตะสองสารเป็นอย่างนี้เป็นไตาลักข้อสองค่ะบุคคลที่มีโครงสร้างสมองแบบกึ่งกลางระหว่างคนปกติกับเป็นออทิสติก หรือดิสเล็กเซียจะวางแผนปฏิบัติมากต้องปรับให้คล้องจองกับสมองหรือไม่คะเช่นออทิสติกจะมีสมาธิสั้นแต่มุ่งมั่นอะไรจะต้องทำให้เสร็จก็ต้องฝึกสติเป็นหลักสติจะสามารถควบคุมความคิดความอารมณ์ต่างๆได้คำถามจากคุณชัยเกียรติภัยศาลค่ะ กราบสาธุพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตผมอยากเรียนถามเนื่องจากผมขับรถเหยียบงูตายโดยไม่ตั้งใจผมใส่บ่ายกรวดน้ําเพื่อเป็นการขอขมาจะส่งผลถึงงูตัวนั้นไหมครับคือการขอขมานี่คงจะไม่ถึงเขาไม่รู้เขาตายไปแล้วเขาคงจะต้องไปรับผลบุญ ผ, ผ, ผลบาปของเขาต่อไปเพราะว่าเขาไม่มีความรู้สึก เครดแค้นอะไรกับเราเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําเข า, างั้นคิดว่าคงจะไม่มีอะไรต่อกันจะขอเข้ามาหรือไม่ขอเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาจะไม่จองเวรจองกรรมกับเราคําถามจากคุณสาราวดีค่ะหลังจากทําหลังจากฟังธรรมะแล้วลองนําไปปฏิบัติ รู้สึกว่าความโกรธน้อยลงค่ะเมื่อมีอะไรมาทำให้หงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดท่องพุทโธแล้วก็ไม่สนใจมันแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมคะเราเป็นยังไงผลต้องดูที่ผลถ้าผลคือจิตไม่วุ่นวายจิตสงบได้เร็วก็ถือว่าถูกต้องคำถามจากคุณเรนรัฐาค่ะใจตายเหมือนกายหรือไม่จากกัมพูชา ใจไม่ตายใจรู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีร่างกายใจก็ยังรู้อยู่ร่างกายความจริงก็เป็นเพียงดิน น, น้ํำลมไฟความจริงร่างกายก็ไม่ได้ตายเพียงแต่เป็นการแยกสลายของดิน น, น้ํำลมไฟออกจากกันนะมันก็เลยทําให้ร่างกายหายไปเหมือนรถยนต์ถ้าเราถอดชิ้นส่วนต่างๆออกไปเดี๋ยวรถยนต์ก็หายไปร่างกายก็เหมือนกัน ประกอบจากชิ้นส่วนสี่ชิ้นด้วยกันคือดินน้ำนมไฟพอมารวมกันก็ทำให้เกิดเป็นอาการสามสิบสองเป็นผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นต่างๆแล้วพอเวลาที่ชิ้นส่วนเหล่านี้แยกกันออกไปร่างกายก็หายไปเราเรียกว่าตายแต่ความจริงแล้วถ้าศึกษาพิจารณาด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าไม่มีใครตายไม่มีใครเกิด มีการรวมตัวของดินน้ำลมไฟแล้วก็มีการแยกตัวของดินน้ำลมไฟกับาธาตรู้อีกตัวหนึ่งห้ า, าธาตุด้วยกันมารวมกันถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาหรือสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาถ้าเป็นต้นไม้ใบหญ้าก็สี่ดินน้ามลมไฟต้นไม้ไม่มีาธาตรู้ไม่มีดวงวิญญาณส่วนมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมีาธาตุห้ามีดินน้ามลมไฟแล้วก็าธาตรู้มารวมกัน แล้วเดี๋ยวเวลาเขาแยกทางกันไปร่างกายนั่นก็หายไปคำถามจากคุณนิกโคค่ะลูกขอถามการเตรียมการเกิดใหม่หากพบนี้เราทำกรรมฐานและชาติหน้าอยากเกิดเป็นผู้ชายต้องปฏิบัติแบบไหนเจ้าคะก็หัดชอบผู้หญิงสิอย่าไปชอบผู้ชายชอบผู้หญิงเราก็ทำตัวเหมือนผู้ชาย ทำตัวเป็นทอมบอยไปก่อนแล้วต่อไปก็จะได้ไปเป็นผู้ชายส่วนพวกผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงก็ทำตัวตุ้งติ้งตุงติ้งไ้ก่อนอาจไปชอบอผู้ชายเดี๋ยวต่อไปก็ได้เป็นผู้หญิงเองคำถามจากคุณเรนอีกครั้งค่ะใจไม่เที่ยงตายหรือไม่อ่าว่าไงนะใจไม่เที่ยงตายหรือไม่อ๋อใจไม่ตาย แต่ว่าอารมณ์ใจยังไม่เที่ยงใจมีอารมณ์หลายอารมณ์เดี๋ยวรักบ้างเดี๋ยวชังบ้างเดี๋ยวโกรธบ้างเดี๋ยวหลงบ้างเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจอารมณ์ในใจไม่เที่ยงแต่ตัวใจไม่มีวันสูญสลายไม่มีวันตายหมดแล้วเลยมีแค่ น, นี้เลยวันนี้คําถามนี่คือใจใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเวลาคิดไปก็สร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ดีใจบ้างเสียใจบ้างเราเรียกว่าใจไม่เที่ยงตรงที่อารมณ์ไม่ใช่ตัวอารมณ์ตัวใจนี่เป็นเป็นใจที่ไม่มีวันสูญสลายเหมือนกับดินน้ำลมไฟมันก็ไม่สูญสลายเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนไปไปรวมกับดินน้ำลมไฟมันก็เลยกลายเป็นต้นไม้ตอนกลายเป็นใบไม้กลายเป็นกิ่งไม้กลายเป็นดอกไม้ขึ้นมา แ้วเดี๋ยวพอดอกไม้มันเหี่ยวมันเฉามันก็กลับไปเป็นดินใหม่มันก็ล่วงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ของใจเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข่บางวันก็ดีใจบางวันก็สดใสเบิกบานบางวันก็ซึมเศร้าท่านั้นเองแต่เราไม่รู้จักวิธีจัดการกับอารมณ์เหล่านี้เราก็เลยทุกข์กับมัน กพเราอยากจะให้มันผ่องใสแจม่มใสเบิกบานแต่บางทีอยากยังไงมันก็ไม่ยอมแจม่มใสเบิกบานเพราะเราไปผลิตความอารมณ์เศร้าขึ้นมาเองถ้าเรารู้จักวิธีควบคุมใจควบคุมการผลิตเราก็สามารถให้มันผลิตแต่ความแจม่มใสสดใสเบิกบานได้ตลอดเวลา อยใจของพระพุทธเจ้านี่ใจผ้าหลานนี่ท่านผลิตให้มันมีแต่ผ่องใสแจม่มใสเบิกบานตลอดเวลาแต่ใจของพวกเรานี่ผลิตทั้งสองอย่างสามวันดีสี่วันไข่บางวันก็ผลิตความรู้สึกที่ดีบางวันก็ผลิตความรู้สึกไม่ดีขึ้นอยู่กับความไม่ฉลาดของเราไม่รู้จักวิธีผลิตที่จะผลิตแต่สิ่งที่ดีไปผลิต กับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปมีความสุขกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันเปลี่ยนไปมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นคนที่รักเราอยู่ดีๆก็โกรธเราเกลียดเราขึ้นมาแทนเราก็จะเสียใจอารมณ์เสียใจก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าอยู่แบบไม่เที่ยงว่าเป็นยังไงเลยต้องมีตัวสัมลอง ถ้าคิดว่ามันเที่ยงก็ไม่ต้องมีตัวสำรองแต่ไม่มีอะไรมันเที่ยงเลยต้องมีคอยมีตัวสำรองไหมพอตัวนี้ตายไปหยุดทํางานก็จะได้มีตัวใหม่มาทําหน้าที่ต่อได้ว่าต่อไปคําถามจากคุณวิค่ะพระอาจารย์คะการทําสมาธินั่งภาวนาพุทโธแต่ทําอย่างไรให้คําภาวนาพุทโธอยู่ได้นานๆเจ้าคะก็ต้องฝึกทั้งวันทั้งคืนไง อย่ามาฝึกแต่ตอนที่เรานั่งอย่างเดียวต้องหัดพุดโทโธไปทั้งวันเลยพอลืมตาขึ้นมาถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับงานการเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องจำเป็นต่างๆก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้าก็พุโทโธไปแปรงฟันก็พุโทโธไปล้างหน้าก็พุโทโธไปหวีผมก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปหัดเหมือนกับหัดวิง่งคนนี้ไม่เคยวิง่งวิ่งได้แค่ร้อยเมตรก็หอบละ แต่ถ้าหัดวิ่งทุกวันเดี๋ยวก็ได้200เมตร300อยเมตร400รอเมตรมันจะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวต่อไปก็วิ่งมาลาทธนได้ต่อไปเราก็พุทโททั้งวันได้พุทโทตลอดเวลาได้เวลาต้องการ้พุทโทมันก็จะพุทโทมันอึดเนี่ยมันมีกําลังนะพอเราฝึกมันฝึกพุทโทพุทธโทอยู่เรื่อยๆพอเราไม่เคยฝึกพุโทโธพอพุโทโธได้สองสามคหมดแรงนะหยุดแล้ว พอหยุดแล้วจิตก็ฟุ้งซ่านต่อไปไม่สงบยังต้องขยานพุโทโธหัดพุดโทโธตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับช่วงไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุโทโธแทนคำถามจากคุณวอลนัทค่ะหากพี่ชายมาขอความช่วยเหลือเพื่อนำเงินไปเพาะพันธุ์สุนัขขายหากดิฉันให้เงินช่วยเหลือจะบาปไหมเจ้าคะ หรือหากไม่ให้จะถือว่าไม่ถูกหรือเปล่าคะคือการช่วยเหลือคนนี้มันก็มันเป็นบุญอยู่แล้วเพียงแต่ว่าควรจะเลือกช่วยเหลือว่าอย่าไปช่วยให้เขาทำบาปก็ปแล้วกันถ้าช่วยให้เขาทำบาปนี้เป็นเป็นการช่วยซ้ำเติมเขามากกว่าช่วยฉุดให้เขาลงต่ำถ้าเขาเอาเงินเราไปทำบาป แต่ถ้าเขาเอาเงินเราไปทำประโยชน์นี้ก็เขาก็ได้รับประโยชน์แต่คนให้อย่างเรานี่ให้เราได้บุญอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแต่ถ้าเรารู้เราก็ต้องต้องต้องเลือกดูถ้าเขาจะขอยืมเงินไปเพื่อไปจ้างมือปืนไปฆ่าคนนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ควรให้เขาเพราะจะทำให้เขาเดี๋ยวต้องไปเจอปัญหาต่อไป เกิดไปยิงคนตายแล้วมือเปินมันซัดทอดถูกจับเดี๋ยวตัวที่คนจ้างก็จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกประหารชีวิตได้ถ้าเราไม่ให้เขายืมไม่ให้เงินเขาเขาก็ไม่สามารถไปจ้างคนได้แต่เราให้เงินนี้เราเราเสียสละเราได้บุญอยู่ดีไม่ว่าจะให้ใครว่แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรแต่การให้ก็ถึง บอกว่าต้องใช้ต้องเลือกคนไงให้คนให้โจรยนี้ไม่ควรให้ให้คนกินเหล้านี้ไม่ควรให้ถ้าเขาต้องการอาหารก็ซื้ออาหารให้เขาอย่าอย่าให้เงินเขาเพราะให้เงินแล้วเดี๋ยวแทนที่จะไปซื้ออาหารก็ไปซื้อเหล้าแทนเพราะความหิวเหล้ามันแรงกว่าความหิวอาหารดังั้นเราต้องดูว่าเงินที่เราจะให้เขานั้นเขาจะเอาไปใช้ในทางไหน คำถามจากคุณอนาลโยค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเคยยืมเงินเพื่อนสมัยเรียนมัธยมแต่เพื่อนย้ายออกจากโรงเรียนกระทันหันไม่ทันได้คืนให้ตามหาเพื่อนก็ไม่เจอและนานมากจนลืมไปแต่มานึกได้หลังจากปฏิบัติธรรมจะทําอย่างไรคะถึงจะไม่เป็นกรรมก็เข้าไปในเฟซบุ๊กเท่นี้ทุกคนมีเฟซบุ o กเนะี่ยคนหาชื่อดูเดี๋ยวก็เจอเอง ไม่ facebook ก็ไอจโอไอมีหลายอย่างด้วยกันนร่อก o เกิลก็ได้เขียนชื่อเขาเข้าไปดูใส่ชื่อเขาเข้าไปดูดจะโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าอถ้าโผล่ขึ้นมาจะได้ติดต่อเขาได้แเราขอโอนเงินใช้หนี้หน่อยถ้ายังไม่เจอก็ก็ต้องเถือว่าสวดวิสัยก็ก็ต้องถือว่าเรายังเป็นหนี้เขาอยู่เ<ม>้าอาจจะมาทวงเราชาติหน้าก็ได้ ถ้าชาติหน้าใครมาขโมยเงินเราก็คิดว่า เ, าเป็นการใช้หนี้ไปก็แล้วกันเราจะได้ไม่เสียใจชาตินี้ถ้าเกิดเราเสียเงินไปโดยที่เราไม่ยอมเราไม่ได้ตั้งใจจะเสียเช่นถูกคนก็ามาโกงถูกคนเข้ามาหลอกก็คิดว่าชาติก่อนเราเคยไปเป็นหนี้เขาก็แล้วกันชาตินี้เขาก็เลยต้องมาขอคืนไปก็ให้เขาไป เป็นการใช้นี่เราจะได้ไม่เสียใจเราจะได้มีความเบาใจสบายใจว่าเออนี่เราน้อยลงไปแล้วนะชาติก่อนเราเป็นนี่มาไม่รู้กี่เท่าไรเท่าไหรเราไม่รู้คิดอย่างนี้แล้วเวลาสูญเสียอะไรไปเราจะไม่เสียใจเราจะคิดว่าเป็นการใช้นี่เก่าคําถามจากคุณอู๋ค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะวิธีกำจัดความโกรธเจ้าค่ะ เมื่อมันเกิดขึ้นเราจะจัดการกับมันอย่างไรดีเจ้าคะขั้นต้นก็คือให้ใช้พุโทโธพุโทโธเวลาโกรธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธหรือคนที่ทำให้เราโกรธให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวสักพักก็ลืมแล้วความโกรธก็จะหายไปแต่หายชั่วคราวเดี๋ยวไปคิดถึงเรื่องนั้นใหม่ก็โกรธขึ้นมาได้ใหม่ วิธีที่จะให้หายอย่างถาวรก็คือต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากนี่อยากให้เขาทำอ้ไยทำหหให้นั่นใน้นี่ให้เราพอเขาไม่ทำเราก็โกรธแล้ว อ, อยากให้เขาอยากให้เขาไม่มายุ่งกับเราเขาก็มายุ่งกับเรามาขโมยเงินเรามาทำร้ายเราเราก็โกรธได้เราต้องไปตัดความอยากแียว่าอยู่ในโลกนี้บางทีห้ามเขาไม่ได้เขาจะทาอะไรก็ต้อง หลบก็แล้วกันถ้าหลบได้ก็หลบหล็กได้ก็หล็กหลบไม่ได้เหลีกไม่ไ ด, ไได้ก็ถือว่าใช้นี่เก่าไปก็แล้วกั น, นคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่โกรธไม่เสียใจจากคนเมื่อสักครู่ค่ะเขาบอกว่าลืมชื่อไปแล้วค่ะโอ้ยขนาดนั้นเลยเหร อ, <c oughs> อก็แล้วไปถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้ขโมยหรือใครมาหลอกเอาเงินเราไปก็แล้วกันถ้าหาไม่เจอถามเพื่อนดูแต่เพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันมันต้องถามได้ท้ง ใช่ไห ม, มชื่ออะไรหรือว่าพอต้องใช้นี่มันเราลืมถ้าเขาเป็นลูกนี่เราคงไม่ลืม <c oughs> ลูกนี่นี่เรามักจะจําได้แม่นนะแต่เจ้านี่นี่เรามักจะลืมคําถามจากคุณพีค่ะถ้าหากว่าคนของคุณพ่อชอบเข้ามาก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของเรามากล้าเส้นมามากทําให้เรารู้สึกอึดอดัด เราจะวางใจอย่างไรดีเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ก็เหมือนว่าแล้วมองเขาว่าเป็นธรรมชาติก็แล้วกันเหมือนเป็นลมเป็นฝนเนี่ยเวลาฝนตกฝนจัดให้ทําให้เราเปียกเราก็ห้ามมันไม่ได้ก็ยอมเปียกไปก็แล้วกันแต่เราไม่ไปโกรธลมโกรธฝนใช่ไหมก็มองอย่างนั้นก็แล้วกันก่อนที่เขามาทําอะไรลัําเส้นเราห้ามเขาไม่ได้เราหลบไม่ได้ก็ต้องทําใจว่าอันนี้เป็นเหมือนธรรมชาติ เป็นเหมือนลมเป็นเหมือนฝนแล้วเราก็จะสบายใจคำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะตอนปลีกวิเวกเราอยู่กับความสงบได้เกือบทั้งวันไม่ได้นึกถึงเรื่องทานเลยแต่พอออกมาไม่ได้เจริญสติได้ทั้งวันแต่ทําทานบ่อยและต้องนึกถึงทานบ่อยๆจิตใจจึงจะอิ่มแต่ต้องทําเรื่อยๆอันนี้คือปกติไหมคะ ก็ทำทานก็เป็นวิธีทำใจให้เรามีความสุขได้เมื่อเราไม่สามารถได้ความสุขจากความสงบเราก็ต้องมาสายการทำทานแทนถ้าเราอยากจะมีความสงบมีความสุขแต่มันต่างกันความสงบความสุขที่ได้จากทานนี้มันน้อยกว่าเบากว่าความสุขความสงบที่ได้จากการทำใจให้สงบแต่ก็ต้องบางทีก็ต้องทำไปตามเหตุการณ์เมื่อนั่งสมาธิไม่ได้ก็ทาบุญไปก่อน คำถามจากคุณแพนด้าค่ะเวลาก่อนนอนจะทำการกำหนดจิตพุโทโธแล้วก็หลับไปและคืนนั้นจะไม่ฝันรู้สึกหลับสนิท ต, ตื่นมาไม่เพลียจิตใจพร้อมทำงานนั่นคือดีไหมคะและมีบางวันฝันถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้วรู้สึกว่าเขาอยู่สบายดีเราก็ดีใจสบายใจแต่ก็มีที่ฝันเห็นบางคนทุกทรมาน เราก็เป็นห่วงเขาเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อเขา <คน S 1> เราควรปฏิบัติอย่างไรถ้าฝันถึงเขาแล้วรู้ว่าเขาไม่สบายก็ส่งบุญไปให้เขาทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศบุญนั้นไปให้กับเขาไปแสดงว่าเขาอาจจะตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนบุญที่เราทำนี้สามารถแบ่งไปให้เขาได้ให้เขามีความสุขได้ คำถามจากคุณมิลินดาค่ะขายเนื้อสัตว์เช่นไก่ทอดจะเป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามไหมครับออถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าไก่มาทําก็เป็นอาชีพที่ใช้ได้ถ้าไปซื้อไก่ที่ตายแล้วมาขายนี่ไม่เป็นไรแต่อย่าไปฆ่าหรืออย่าไปสั่งเขาล่วงหน้าเช่นไปที่ร้านบอกพวกนี้เอาไก่ห้าโลอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ทำก็ดีทำเองก็ดีหรือสั่งให้เ็าทำก็ดีถือว่าบาปแต่ถ้าเราไปที่ตลาดแล้วก็ไปดูว่ามีไก่ตายไหมถ้ามีก็ซื้อมาขายได้ไม่อย่างนี้ไม่บาปหมดแล้วนะเอาแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกอ่ะเข้ามาเลยขึ้นมาตรงบันไดนียจะส่งไมโครโฟนไปให้นั่งเลย วกกลปาคืออยากจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดเรามีห้องพระอยู่ข้างล่างใช่ไหมค ะ, ะเรานอนอยู่ข้างบนเงนี้ยเหมือนเรานอนทับพระอย่างเงี้ยอ่าไม่เป็นไรแล้วคนเขา อ, อยู่คนละห้องก็แล้วกันอยู่เป็นคนละสั์คนละส่วนอ่าไมงั้เดี๋ยวก็นั่งเครื่องบินก็บินข้ามวัดไม่ได้ใช่หมฮะ <c oughs> ใช่ไหมห้องน้ําก็อยู่บนเครื่องบินเดี๋ยวกําลองฉี่กําลังฉี่อยู่นะู้นก็ลองก็ลังบินข้ามวัดพอดีอ่าต้องแยกแยะว่ามันอยู่คนละส่วนกันก็แล้วกัน ถ้ามันอยู่ห้องเดียวกันก็ควรที่จะทําให้มันเหมาะสมค่ะต้องให้พระอยู่ที่สูงกว่าเราค่ะอืแต่ถ้าอยู่คนละห้องก็ช่วยไม่ได้สมัยนี้อยู่คอนโดอย่างเงี้ยอยู่ชั้นสองแล้วคนอื่นก็อยู่ชั้นสิบอย่างเงี้ยเรามีพระอยู่ในห้องเราเขาก็อยู่กันไม่ได้หมดสลค่ะนะค่ะเอาเฉพาะที่เป็นสัตว์เป็นส่วนของเราก็แล้วกันค่ะข้างหลังมี เรียนถามพราาะอาจารย์น่ะเวลาที่เราปฏิบัติแล้วก็จะมีความง่วงหนาวหานอนหรือว่าคันหรือว่าตัวโครงเรลงอะไรตลอดนะคะแสดงว่าเราไม่มีสติพยายามเกาะติดกับพุทธโธไปอย่าไปกังวลกับมัน <c oughs> ปล่อยมันคันไปแต่ถ้าเรามีสติพุทธโธมันจะไม่โครงะที่โครงเพราะว่ามันเคลิ้มแล้วอ <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นก็ต้องมันฝึกสติให้มากๆก่อน <c oughs> ที่มานั่ง ดังตอนนี้เรามีสติเรานั่งไม่โคลงไม่โคลงเลยใช่ไหอแต่พอเรานั่งเฉยๆคนเดียวเดี๋ยวพุโทโธได้สองสามคำเคลิ้มไปละเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันโคลงไปโคลงมาได้แสดงว่าเราหยุดด้วยสติเราอ่อนกําลังลงต้องพยายามมันฝึกสติให้ ม, มากขึ้นแล้วเวลานั่งต่อไปเวลามันคันจะไม่รู้สึกราคาญปล่อยมันคันได้มันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บได้ให้เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธต่อไปได้ ขอบพระคุณอ่าพยายามหัดหัดพุทธไว้ให้มากๆอ่าต่อเลยค่ะอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อค่ะคือพอดีแบบทําร้านอาหารอยู่อะค่ะก็คือมันจะมีพวกมดแมลงสาบหนูอย่างเงี้ยค่ะจะจะทํำยังไงดีคะถ้าเพราะว่ากําจัดถ้าไม่กําจัดก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่าไปอย่าไปกําจัดไอ้กวาดมันแล้วก็ดูทางขึ้นของมันทางลงก็ไปโรยยาโรยอะไรที่พอมันได้กลิ่นแล้วมันก็ไม่มา มีชอ็อกมีชมชเช็คอะไรให้ขีดได้ก็คือห้ามฆ่าเ อ, าอย่าไปฆ่ามันกวาดมันให้มันไปอยู่ที่อื่นอะไรนี้ได้อยู่แล้วพอกวาดมันแล้วก็เอาช็อกไปขีดทางที่มันเดินผ่านไปผ่านมาเดีย๋ยวมันก็ไม่มาเองค่ะขอบพระคุณค่ะพ่อาคาะคำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณมหาลัยชีวิตค่ะขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ ภาวนาอานาปาณสติกับพุโทโธอันไหนจิตจะสงบง่ายกว่ากันครับผมก็แล้วแต่เจริญบางคนใช้พุโทโธก็รวมลงเป็นสมาธิได้บางคนก็ใช้ดูลมหายใจก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเหมือนเหมือนกว๋วยเตี๋ยวผัดกับข้าวผัดเนี่ยก็กินแล้วก็อิ่มเหมือนกันใครชอบกินกว๋วยเตี๋ยวผัดก็กินกว๋วยเตี๋ยวผัดใครชอบกินข้าวผัดก็กินข้าวผัด